กเกี่ยวกับเรื่องการอบรมจิตคืออบรมกรรมฐานว <c oughs> ารติงกรรมฐานในจะฟังหรืออบรมหรือไม่ก็ตามเรามีกรรมฐานประจำตัวกันอยู่แล้วทุกคน ผมผลเลบปันหนังเป็นต้นเป็นกรรมฐานผ้านักบวชทั้งหลายก่อนที่จะได้คลองผ้าสีบนเป็นแบบพระพิเทศกละอุปัชฌายะก็ให้เรียนกรรมฐานผ้ากรรมฐานผ้าคือกรรมฐานอันเป็นเข้าเป็นหมดเป็นกรรมฐานเบื้องต้น นักบวชทุกท่านทุกองค์จะต้องพิจารณาให้แตก <c oughs> มีคำกล่าวของกโคโรบาอาจารย์บางท่านกล่าวไว้ว่านักบวชต้องพิจารณาสมาฐานผ้าให้แตกต้องพยายามตีเส้นผมให้แตกให้ละเอียดปวกขาบรดแท เขายังสามารถกดกลนไผ่โคเขาสูงกด้องฟ้าให้ลากเป็นลากฟองได้ถ้าหากนัก บ, บวชตีผมเส้นเดียวไม่แตกจะไม่โง่ว่าคนขับรถแท็กซี่หรือนี่มีเป็นคำพูดของอาจารย์ท่านหนึ่งกล่าวเป็นคติเตือนใจในเวลาท่านสอนลูกศิษย์ของท่าน ดังนั้นกรรมฐานห้าที่จึงเป็นเรื่องสำคัญทำไมหนอพระอุปัายะจึงให้เรียนกรรมฐานห้าก่อนอื่นนอกจากจะให้เรียนให้จำได้แล้วยังสอนให้พิจารณาให้เห็นเป็นของปฏิลุราเกลียดโตก ที่ท่านให้ทำเช่นนั้นก็ก็นเหวี่ยงาเครื่องหมายของความสวยความงามหรือความไม่สวยไม่งามของคนเรานั้นอยู่ที่ผมขนและฟันหนังผมขนและฟันหนังนี่แหละเป็นสิ่งที่ชาวโลกเขาอูด ก, กันใครมีผมงามเขาก็เรียกว่าคนงาม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 เป็นของที่ริ้วที่เร็วความกำหนัดกินดีหรือความพอใจจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเขียนอย่างคนที่มีผิวหนังเป็นที่กลาดเป็นโรคเรื้อนหรือเป็นบาดแผลต่างๆไม่มีใครชอบนอกจากจะไม่ชอบแล้วเรายังไม่อยากเข้าไปนั่งใกล้เพราะมันสกปรก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 ดังนั้นท่านจึงสอนให้พิจารณาธรรมาฐานค่าให้เห็นเป็นของปฏิกูณหน้าเกลียดโเกไม่สวยไม่ามเพื่อเปิดประตูด่านแรกเข้าไปมองธรรมะส่วนละเอียดภายในติดไม่เช่นนั้นถ้าเรายังติดความสวยความงามอยู่ ก็ไม่มีโอกาสที่จะมองเห็นธรรมะท่นละเอียดท่านเป็นของสิ่งภายในจิตของเราพรัชนั้นตธรรมาฐานห้าจึงเป็นสิ่งสําคัญมากคนเราจะติดกันรักกันหลงกันก็ อ, อยู่ในสิ่งห้าอย่างนี้เท่านั้นอาหากเราพิจารณาสิ่งทั้งห้านี้ให้เห็นเป็นของปฏิปูณไม่สวยไม่นาม ไม่แต่เพียงความนึกคิดเิดใจรู้ซึงเห็นจริงลงไปว่าไม่สวยไม่นาาจริงๆเราก็จะได้ปรองปัญญาเห็นความจริงว่าร่างกายเป็นของปฏิบูเต็มไปด้วยของเน่าเปื่อยผุพังเป็นของหน้าเสียโต้ก็เป็นอย่างดิงเป็นโอบายสำหรับขจัด ราคะความกำหนัดจิตดีซึ่งจะเกิดขึ้นร่มลมจิตใจที่ละตัวใดจะมีอิทธิพลเหมือนอย่างราคะไม่ดีการปฏิบัติทำถ้าราคะความกำหนัดจิตดีเข้ามาเล่นงานแล้วนักปฏิบัติทั้งหลายย่อมเสียข้ากันกุค์พระเนนที่บวชตัวในวัด บวจูได้ไม่ตลอดชีวิตเพราะอะไรเพราะราคาตัวเดียวดังนั้นประตูด่านแรกที่เราจะต้องรนนลมต่อสู่กันยังเอาเป็นเอาตายก็คือการขจัดราค า, ฐ า, ฐาวามกำนัดจินตีแม้จะเป็นไปได้ทั่วขณะหนึ่งก็ตามก็ยังมีประโยชน์ในการที่จะส่งเสริมและสนับสนุน โทมจิตให้ข้าวหน้าใสสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะตามความเป็นจริงอันนี้คือเหตุผลที่ท่านสอนให้พิจารณากรรมาฐานห้าทีนนี้พูดเถึงเรื่องการภาวนาการภาวนาหมายความว่าการกบการลมหรือการบ่มนิสยัย การ พ, อพ่อคูณการสะสมคุณงามความดีมีโอบายวิธีหลายอย่างที่เราจะพึงยึดเป็นหลักปฏิบัติแม้ว่าโอบายวิธีนั้นๆจะมีมากมายกับเรียงใดก็ตามจุดมุ่งของการภาวนาเพื่อให้จิตสงบตั้งมั่นลงเป็นสมาธิ ปาติสัมปชัญญะให้เกิด ข, ขึ้นเป็นพลังงานของจิตสามารถที่จะเป็นเจตสิกหนุนเนื่องจิตให้ดำเนินไปสู่ความรู้ความเห็นในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเมื่อกล่าวถึงหลักการใหญ่ๆที่พอจะนำมากล่าวเพื่อเป็นเครื่องกระดับสติปัญญาของท่านผู้ฟัง โทษถึงเรื่องภาวนาหรือกกรรมฐานหัวก็อใหญ่มีอยู่สองอย่างคือสมถะกรรมฐานกรรมฐานเป็นอุบายสงบใจวิปัสนากรรมฐานกรรมฐานเป็นอุบายเรืองปัญญาคือให้เกิดปัญญานั่นเองคัว่ากรรมถานกรรมฐานก็ดีวิปัสนากรรมฐานก็ดี เป็นแต่เพียงชื่อของวิปัสสนาเป็นจุดเริ่มของการปฏิบัติด้วยกันทั้งสองอย่างซึ่งไม่ได้หมายความว่าผู้จะเจริญวิปัสนาต้องทําสมาธิให้เกิดขึ้นก่อนหรือทําจิตให้ได้สมาธิดได้ทานสี่หรือทานอะไรก็แล้วแต่แล้วจึงจะเจริญวิปัสนาไม่ได้หมายความอย่างนั้น เพราะฉะนั้นจึงเป็นการเข้าใจจิตของนับปฏิบัติความจริงทั้งสองอย่างเป็นไปเพื่อวิธีการเป็นอุบายวิธีปฏิบัติเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิด้วยกันท้งนั้นโอมาปฏิบัติด้วยการบริรมภาวนาโพธโทโยกหนอฟองหนอสัมมาอารหัมเป็นต้น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 ส่วนวิธีวิปัสสนานั้นหมายถึงการปฏิบัติโดยไม่ต้องบริกรรมภาวดาหรือต้องคาขาบทใจบทเหน่งก็เริ่มต้นแล้วเราหาเรื่องมาที่าจรณาเช่นจะพิจาจรณาว่าโรคไม่เที่ยงโรคเป็นทุก์รคเป็นอนัตตาเวทนาไม่เที่ยงเวทนาเป็นทุก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 ในทางสวานคหกคือตาหูจมูกลิ้นตตยหละใจอาศัยโูกเสียงเปิียมรสสัมผัสผ่านเข้ามาเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์เป็นของเป็นอนัตตาที่าจรณาย่อนกลับไปกลับมาจนจิตเกิดต า, ามต้องตัวในการทิจาจรณา แล้วทำให้ให้จิตเปิดมีวิตกวิจารปีติสุขและเอกับตะตาสงบลงเป็นสมาธิตามลำดับตั้งแต่ขั้นคณิกาสมาธิอุปจาระสมาธิและอกทัพนาสมาธิทั้งสองอย่างเป็นอบายวิธีปฏิบัติเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิด้วยกันทั้งนั้น จุดมุ่งหมายอยู่ที่สมาธิคือความสงบจิตบริธรรมก็ทําจิตให้สงบมีวิตกวิจารปีติสุกเอกับคตาการพิจารณาก็ทําให้จิตมีสมาธิประกอบด้วยวิตกวิจารปีติสุกเอกับคตาไม่มีอะไรที่จะแตกต่างกันบางครั้งเราเกิดความเห็นขัดแ a ้ง เราไม่สามารถที่จะเอาความจริงมาประชันกันหรือมาเปรียบมาเทียบมาวัดกันที่เราเป็นเพ็นนั้นก็เป็นเหตุว่าในเมื่อเจอหน้ากันเขาข้อหนึ่งภาวนาเสร็จอีกข้อหนึ่งภาวนาไม่เสร็จก็เป็นเหตุให้ขัดกันถ้าหาก ว, ว่าไม่เป็นกันทั้งสองฝ่าย ก็ยิ่งเป็นเหตุให้ขัดกันยิ่งสึกถ้าหากว่าตามฝ่ายตามเป็นตามรู้ตามเห็นตามความเป็นจริงไม่มีอะไรที่จะขัดกันในประวัติศาสตร์รพ ร, ระพุทธศาสนามีไมพระพุทธเจ้าอารหัสอรหันทั้งหลายตกเสียงกันเรื่องการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นขอให้สาธุชนทั้งหลาย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 และให้รู้ว่าจิตใจของตนเองที่ไปเกี่ยวข้องอยู่กับสบภาวะธรรมเหล่านั้นเกความสุขและความทุกข์เพราะจิตจะมีความลันผาประวัติกาาวิภระวัติกาามีความยินดียินร้ายมีความพอใจและไม่พอใจและเพื่อให้จิตรู้แจ้งเห็นจริงในความเป็นจิตตามกฎของธรรมชาติ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 ในเมื่อพูดถึงีิเลสตัณหาแล้วทุกคนรู้สึกว่าเหม็นเบื่อเหม็นเบื่อเอาจริงๆเริ่มกิเลกแต่เสร็จแล้วขอให้ท่านจงระลึกระย่าริ่มว่าีิเล่นั่นแหละเป็นตัวการสำคัญที่กระต้นเกิอเจตของเราให้เกิดความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นีิเล่นั่นแหละเป็นตัวที่มีคุณค่า มีประโยชน์แก่บุคลคลผู้มีทีวิตจิตใจพระฉานันธ์พระพุทธเจ้าท่านจึงตีวงสอบเกตของการใช้สิเดชให้เกิดประโยชน์ได้แก่ศีลห้าขอ้อใครจะลบโมโทสันทะเยอทยานไปเพียงใดแค่ไหนก็ตามจะทำอะไรลงไปให้ไม่ถึงศีลห้า สิงที่ทําลงไปไม่ละเบิดสี่ห้าพ่อใดข้อหนึ่งแม่จะเป็นพลังของสิเลสโหน่งทรงพระตาอันนั้นเป็นการไม่ผิดศและธรรมเราอยากมีเงินก็ความโลภอยากมีสมบัติเข้าของก็ความโลภอยากมีอะไรนี่อะไรติป่าถเพราะความโลภเราถ้ายจอถ้ายานเพราะอําออนาจของกันหา เราจะได้จะดีจะมีจะเป็นเคราะห์ อ, อำนาจของกังหาแต่เมื่อเราใช้โลกและกันหาความเสียสละยนไม่ให้ผิดหลักศีลและธรรมคือเอาศีลท่าเป็นขอบเขตเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าไม่สาไม่ตำหนิขอให้ใช้กิเลสให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่พระองค์ได้วางเอาไว้หรือได้ตีเสตตายเอาไว้และปฏิบัติทั้งหลาย ที่มีใจใจอยากจะปฏิบัติสมาธิภาวนาก็ต้องอ า, อาศัยกิเลสอันนี้แหละเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนเราจะได้เห็นเราอยากได้ทมเราอยากรู้ทมเห็นทำความอยากทั้งปวงทั้งสิ้นนั่นแหละเป็นอาการของกิเลสเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันที่จะไม่ให้เราใช้กิเลสปิดปา เราจะทำอะไรอะไรก็ตามต้องขึ้นต้นโดยศีลห้าศีลห้าเป็นหลักธรรมปรับตรุงตายวาจาหละใจของเราให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เรามีศีลห้าก็เรามีความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ถ้าหาเวลาใดที่เราทำศีลห้าขาดไปสักก้อหนึ่งเปอร์เซ็นแห่งความเป็นมนุษย์ลดก่อนลงไปเหลืออยู่เพียงแปดสิบเปอร์เซ็น เพียงจะทำลายเศษผ้าข้อใดข้อหนึ่งเพียงข้อเดียวเท่านั้นหมดสภาพความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เมื่อเราเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์กายวาจาหรือใจของเราก็ไม่เป็นธาตชนะต่อเครื่องคอยจะลองรับคุณงามความดีที่พระพุทธองค์ได้ทรงประทานให้ดังนั้นความมีศีษบริสุทธิ์สะอาดจึงเป็นสิ่งจําเป็น นอกจากเราจะมีเศษแล้วเราต้องมีสัจจะมีสัจจะความติใจการปฏิบัติธรรมทั้งนั้นทั้งนี้อาศัยสัจจะเป็นเครื่องเป็นหลักสาคัญพราิษสู่สงฆ์ที่ท่านแสดงอาบัตินิปพงอาบัติเป็นการประกาศสัจธรรมความริงที่ตนได้ละเมิดร่วงเกินโดยไม่ผิดลำ เพื่อบำรุงสัจธรรมซึ่งกำลังจะต่อตัวขึ้นภายในจิตให้มีพลังเพิ่มขึ้นทุกทีทุกทีเป็นสัจจะปารมีแล้วก็เป็นสัจจะอุปป า, ารมีเป็นสัจจะปรมาทบารมีสัจจะบารมีคือสัจจะที่เราตั้งใจไว้ว่าจะทำสิ่งนี้สิ่งนี้ แล้วเราก็ยังมีความตั้งใจควบคุมให้ความรู้สึกของเรามีสัจจะโดยสติปัญญาเรียกว่าสัจจะปารมีแต่สาขาสัจจะของเราเองเป็นไปโดยอัตโนมัติโดยที่เราจะตั้งใจก็มีสัจจะไม่ตั้งใจก็มีสัจจะสัจจะของเรากลายเป็นสัจจะอุปปารมี พสัาาจจะของเรามีความละเอียดซิ่งขึ้นไปกว่านั้นเป็นสัจจะความจริงใจที่แน่นอนเป็นสัจจะที่ไม่ปรับลี่เราตั้งใจจะรับพระพุทธเจ้าเราก็มีความรัก อ, อย่างแท้จริงเราตั้งใจจะเชื่อคุณธรรมของพระพุทธเจ้าก็เชื่ออย่างจริงจังเชื่อว่าบนมีบาปมี ในเมื่อเชื่อลงไปแล้วมันเป็นความจริงใจที่เชื่อโดยอัตโนมนเป็นความเชื่อที่ไม่สามารถที่จะถอนกลับคืนมาเป็นความไม่เชื่อได้ศาจจราในตอนนี้ของเราเป็นศาสต ร, ราปรมาภารมีเมื่อเรามีศาจตราเป็นปรมาภารมีตรเราก็มีคุ ณ, ณธรรมเป็นเครื่องเชื่อคุณอดโนดให้จิตของเรามีศีลคือตัวปกติที่ปรากฏอยภายในจิต เมื่อจิตของเรามีความเป็นปกติมีสัจธรรมเป็นผู้ของจิตอยู่ตลอดเวลาจิตนิ่งจิตสว่างจิตโลจิตเตื่นจิตเบิกบานมีความรู้สึกสํานึกผิดท้อขั่วดีอยู่ภายในจิตโดยอัตโนมัติซึ่งปราศจากเจตนาสัญญาใดๆทั้งสิ้นแต่หากายเป็นความเป็นเอกโดยปกติของจิต หรือธรรมชาติของศีลซึ่งปรากฏชัดในจิตของเราเบ่ศีลปรากฏชัดในจิตของเราตัวปกติจิตก็เด่นพัดขึ้นเพราะตัวปกตินั่นหนคือตัวศีลปกติที่ไม่ปรับเปลี่ยนแปลงเป็นสัจรธรรมคือสัจจะความจริงใจเมื่อเรามีศีลมีสัจจิตของเราก็กลายเป็นสุดา เพียงจะรล้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวสิ่งใดทั้งปรากฏการขึ้่นภายในจิตจิตเข้าย่อมรู้รู้โดยอัตโนมัตริรู้อย่างมีสติสัมปชัญญะต้อมทุกขณะจิตเมื่อจิตมีสุตตาการสะดับตรับฟังความเคลื่อนไหวแต่ความเป็นของตัวเองอยู่ตลอดเวลาจิตดวงนี้ก็มีอารมณ์เป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งละเล็กของสติ สติของผู้บำเพ็ญเพียรภาวนาเป็นตั้งมั่นลงที่อารมณ์ที่เกิดจัดกจูภัจจิตภายในจิตของเราเองตัวสติก็ค้องที่จะเป็นอัตโนมัติทำหน้าที่ของตัวไปเองโดยปราศจากสัญญาเจตนาเพราะอาศัยความรู้ความคิดที่เกิดขึ้นภายในจิตเองนั่นแหละและมีสติูลเท่าทันความรู้สึกนึกคิดที่เกิดจับจุภในจิต เชิงปลายเป็นตัวปัญญาในเมื่อตัวปัญญาปรากฏเด่นชัดขึ้นตัวสติก็ปรากฏเด่นชัดขึ้นปัญญากับสติวิ่งตามพันกันยังไม่ลดละไม่ลดลาวาก็พ อ, อจิตปัญญาตัวปัญญาเกิดขึ้นสติทำหน้าที่รู้อะไรเกิดขึ้นสติรมหน้าที่รู้เพียงจะมีสติรู้ดูกับอารมณ์ที่เกิดจากปับจิตเท่านั้น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 พวกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดขึ้นทรงตัวอยู่แล้วก็สลายตัวให้กันบ้างเราก็จะได้ความรู้ว่าสภาวะทั้งปวงในจัตวานี้ทรงตัวอยู่ทั่วขณะหนึ่งในที่สุดแล้วย่อมสลายตัวในขั้ น, นต้นจิตของเราจะสามารถรู้ อันนี้จังความไม่เที่ยงควบขงังความเป็นทุกข์อนาตาความไม่เป็นตัวของตัวของสภาวะแหละอารมณ์ซึ่งเกิดจากปัจจิตถ้าหากว่าจิตของเราประกอบด้วยองค์ธาตุมีศีละความเป็นปกติมีสติความจริงใจมีสุตะคอยสดับ ก, กลับฟังดูสิตามีปัญญาเกิดความคิดอ่านเกิดขึ้น เ้องเราก็ย่อมจะเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาดังที่กล่าวแล้วเมื่อเจตของเรารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวธรรมตามความเป็นจริงเมื่อไหร่ทำว่าการละกิเลสเป็นแต่เพียงโวหารเซิงเจตเขาจะปล่อยวางของเข้าไปเองในเมื่อปล่อยวางไปเป็นนั้นจาคะการสละดพื้ซึ่งกิเลสแต่อารมณ์ย่อมปลากปลด้น เมื่อมีการสลากิเลสและอารมณ์จิตของโอภาวนาเกิดวิมุตคต อ, อ, อความหลุคน้นแม้เพียงขั่วขนาดหนึ่งขณะจิตเดียวก็ยังมีประโยชน์สำหรับการปฏิบัติถ้าหากไม่เช่นนั้นในบางครัง้งบางโอกาสเรามีสติกำหน ด, ดรู้สภาวะที่เกิดจากปัจจิอยจ่ขณะจิตใด อาวิชาวิ่งเข้ามาครอบงำเกิดความรู้ไม่จริงขึ้นเกิดความยึดในสิ่งที่ตัวเองปรุงแต่งขึ้นมาย่อมเกิดความยินดีเมื่อความยินดีความพอใจบางเกิดขึ้นผู้มีปัญญาจ็รู้ทันทีว่านี่ตามมตันหากำลังจะเล่นงานเราแล้วถ้าเกิดความยินร้ายขึ้น โอเมตสติปัญญาโลทันจะูลทันสี่ว่าได้วิภวตัณหาสาลังจะเล่นงานเราแล้วเพราะความยินดีและความไม่ยินดีเป็นสมบทฐานให้เกิดตามมาตัญหาวิภวตัณหาถ้าหาว่าเจตของผโอภาวนามีตสติไม่โลทันหรือปัญญาไม่เร็ววิชาไม่เกิดไปหลงยึดความยินดีเป็นรายทั้งสองอย่าง ก็กลายเป็นภวะสันหาเมื่อจิตของเรามีตัวจันหาคือตามาจันทราภวะตันห า, าวิภวะตันหาอยู่ก้อมีหรือทุกจะไม่เกิดขึ้นในจิตนอกจากทุกจะเกิดขึ้นในจิตแล้วจะมีสุขเกิดขึ้นด้วยในบางครั้งบางโอกาสอารมณ์ทำให้เรารู้สึกเป็นสุขใจในบางครั้งทาให้เกิดทุกข์ใจ ในเมื่อเบิดทุกข์ใจตกใจพวกมีสติปัญญาภาวนาได้สติรลอได้อุบายแล้วเขาจะเกิดพิชาความรู้แจ้งขึ้นมาทันทีว่านี่คือทุกขริยาศัตร์เบืดอึ้นติตของเราทุกขริยาศัศ์นี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ และพวกอริยสัตว์นี้พระพุทธเจ้าเป็นผูดสัตย์ระ้ก่อนไปทั้งหมดเมื่อพระโลกร่างเห็นจริงอย่างนี้แม้ว่าทุกจะยังไม่ดับไปภายในจิต้อตามเขาจะไม่มีการข้อถอยสติจะทำหน้าที่เองโดยอัตโนมัติดูทุกเรื่อยไปในเมื่อมันทุกถึงที่สุดแล้วทุกมันก็ดับไปเอง สุกถึงที่สุดแล้วสุกมันก็ดับไปเองในเมื่อสุกและทุกดับลงไปแล้วอะไรจะปรากฏขึ้นนี่โละคือความดับทาไมจึงดับเพราะจิตโล้แจ้งเห็นริงไม่มีความยินดีไม่มีควาย ม, มายินร้าย เมื่อไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายจจตก็ไม่มีความมัจจันหาภาวะมัจหาวิภวะมัจนหาเจตจะย้อนกลับมาตั้งอยู่ในความเป็นปกติมีสัจมีศีลมีสัจจะมีตุตมีปัญญาแล้วก็มีกาละมีพิมุติมีความตกต้นตามขั้นตอน หรือแล้วแต่พลังจิตจะปฏิวัติตนให้เป็นไป